พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่17กันยายน2559มีชื่อเรื่องว่าจับตัวนึกคิดวันนี้เป็นวันเสาร์ที่17 กันยายนพุทธศักราช 2,559 เมื่อวานเป็นวันพระใหญ่เป็นวันพระเดือนสิบเพนเป็นวันทำบุญฉลากกัตรัทั่ววัดทุกวัดในอีสานการทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลเมื่อวานนี้ผ่านไปแล้ว เมือ่อวานก็รู้สึกว่าจัตยาญาติโยมในวัดของเราก็ล้นหลามทั้งวันเมื่อวานแต่วันนี้ก็คงจะหมดไปแล้ววันนี้เป็นวันเสาร์แต่ก็คงจะมีกลุ่มวันเสาร์คงจะมีอีกนะแต่สําหรับหลวงพ่อเองวันนี้ชั้นจังหานเสร็จแล้วก็คงจะพักนิดหน่อย ก็คงจะออกเดินทางไปถึงวัดโที่สมพรกะว่าประมาณบ่ายโมงจะมีการแสดงธรรมเขาในมนต์ไปเทศแสดงธรรมในงานของลูกศิษย์ลูกหาขององหลวงตามหาบัวของเรานะเป็นลูกศิษย์เก่าแก่ของท่านที่ผู้ที่ได้รับพินัยกรรมจากองหลวงตาที่เป็นที่ไว้เนื้อเชยใจนะท่านจะให้พินัยกรรม เป็นผู้ดูแลจัดเรื่องอทรัพย์สินหรือว่าเรื่องจัดงานชริละสังขารของท่านคือท่านผู้นี้แหละคนหนึ่งเป็นท่านชื่อป พ, พันตรีพันตรีปั จ, จัยนารินรัตน์เมื่อวานกับลูกชายลูกสาวก็เข้ามาหาหลวงพ่อมากราบนิมนต์หลวงพ่อก็ได้รับ ที่ว่าคงจะไปแสดงทำช่วงบ่ายโมงบ่ายโมงวันนี้นะแต่หลวงพ่อก็ให้หนังสือไปแจกในงานศพมีหนังสือจิตภาวนาของหลวงตาที่มาออกมาเล่มล่าสุดแล้วก็นังสือปุตชาวิสัชนาของหลวงปู่สามหลวงปู่หลวงปู่พุธหลวงปู่ชาหลวงปู่มหาบัวของเรา สามพระ อ, องค์เป็นผู้มีผลถามและก็ท่านเป็นผู้พิสัชนาไก่คงจะเอาไปแจกในงานศพของนี่แหละท่านพลคนโยมก็เป็นคนวัดคนวาเก่าแก่ดันวันนี้หลวงพ่อคงจะได้ออกไปนี่แหละคณะสัตย า, า, า, าติโยมที่ผู้ที่ได้รับพี่นกยกมจากองค์หลวงตาพระ ก็ไป2 อ, องค์แล้วมีหลวงปู่ฟักกับหลวงปู่ปัญญาสาหรับททายาิโยมมีอยู่5คนพึ่งไปท่านอีกเป็นท่านแรกนะูพระยังอยู่2โยมยังอยู่4่ที่ได้พิธกรรมขององค์หลวงตาเพราะมีพิธกรรม9คนโยม5พระ4เก้า ต่อไปจะเป็นใครก็ไม่ทราบแล้วเป็นเป็นผู้รับไม้ต่อเป็นคิวต่อไปมันเป็นอย่างนั้นนะคณะสธาญาตโยมนะหลวงพ่อเหมือนกับพูดเล่นๆนะแใครจะเป็นคิวต่อไปแต่มันเป็นจริงนะไม่รู้กับใครแหละเป็นคิวต่อไปอาจจะเป็นหลวงพ่อเป็นคิวต่อไปก็ได้หลวงพ่อได้คิดไว้อยู่เสมอในใจไม่เคย เมื่อคิดว่าตัวเองจะอยู่โช่ฟ้าถิ่นฉลายมองอยู่เสมอว่ามรังเมออีกสักวันหนึ่งข้าจะต้องล้มหายตายจากโลคนี้ไปเพราะนั้นหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทอันไหนคือคุณงามความดีอันไหนคือบุญกุศลอันไหนคือที่เราจะเก็บหอมรอมริบเหมือนกับเราจะไปต่างประเทศไ ม, ม่ไม่มีวันกลับอย่างนั้นแหละ เราจะไปต่างประเทศแล้วจะไม่กลับมาอีกอันไหนที่เราจะควรจะได้อันไหนควรจะถือไปกับตัวของเราอันไหนทรัพย์สมบัติส่วนไหนที่จะแจกแบ่งให้ใหกับใครอันไหนควรจะถือไปตับกับตัวของเราสิ่งเหล่านี้มันก็นต้องตรวจตราดูให้พร้อมให้รอบ้อบนี่แหละคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ดังนั้นขอให้พวกเราคัธะศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนะที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ใช่ว่าเขี่ยวเข็นให้พวกเรากระยานกลัวต่อมรณะภัยให้กล้าหาญต่อมรณะภัยอีกต่างหากคล้ายๆกับผมไอเห้สะทกสะานมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วอแต่ทํายังไงได้แต่เรารักษาให้ดีที่สุดเตรียมพร้อมให้ดีที่สุด เ, เมื่อดีที่สุดแล้วอันไหนจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นไม่มีใครที่จะหลีกเลีหนีพ้นไปได้นี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกเราท่านก็นสอนอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้สอนนี่แหละเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านน ะ, ะแต่การประกอบคุณงามความดีอันนั้นต้องใส่ใจต้อง ส, ใองอสนใจต้องประกอบ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีให้สังสมให้ทานรักษาศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวนานั่นแหละก่อนหลับก่อนนอนให้ไหว้พระอย่าได้ขาดเมื่อไหว้พระเสร็จเรียบร้อยก็หาห ม, มุสงบนั่งภาวนายี่สิบสามสิบนาทีแต่ละวันอย่าได้ขาดอันนั้นคือการประกอบคุณงามความดี เมื่อเราทำไปได้เรื่อยๆทำอยู่ตลอดเวลาท ำ, ทำจนติดนิดสัทยทาจนเป็นอาจินโดยสม่าเสมอนั่นแหละในเมื่อถึงคราวสุดท้ายของเรามีอะไรเกิดขึ้นใจดวงนั้นมันจะวิ่งเข้ามาหาสมาธิจุดนั้นทันทีเลยเข้ามาหามุมเข้ามาหาสนามลบเข้ามาหาสนามเพาะเข้ามาหาที่หลบวิ่งเข้ามามันจะไม่เตลิดเปิดเปิง มันจะไม่ขยาดเพราะอะไรเพราะเราได้คิ ด, ไ ด, คดได้เตรียมพร้อมไว้แล้วในเมื่อมันเท่งเข้ามาหาจุดสนามเพาะเขามาหาจุดสงบจิตใจก็สงบเร่งเย็น เ, เมื่อจิตใจ อ, ออกจากร่างในช่วงนั้นนุ่นละ่ะพรมโลกที่ไนหะเพราะจิตใจของเรามีสมาธิมีฌานในความรู้สึกนึกคิดตัวของเราก็ไปไปสู่พรม ได้ง่ายๆถ้าหาว่าเรารึกถึงคุณงามความดีและลึกถึงทานถึงศีลและรูกถึงครูบาอาจารย์และถึกและรู้ถึงการประกอบคุณงามความดีของเราจิตใจของเราก็อุ่นอกกุญใจเพราะเราได้ประกอบคุณงามความดีมาโดยสม่ําเสมออันนี้เมื่อใจขาดลงไปเป็นสู่สวรรค์ถ้าหาว่าจิตใจของเราตกพิตกกังวลว่าเวอ้างว้างมีแต่ ทุกระทมอยู่ในจิตใจในเมื่อออกจากร่างกายนี่แล้วน่ ะ, ะเป็นคติไม่แน่นอนเถอะอาจจะไปนรกก่อนก็ได้อาจจะไปเป็นแปรต ก, ก็ได้เป็นสัตว์ที่ราชานันไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนแนะนำบอกกล่าวเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ประกอบคุณงามความดีอย่างเนืองเนืองบ่อย สม่ำเสม อ, อเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะทายาทโยมลูกหลานทุกคนนะ้าพระเนรทุกองค์นะ้าการที่ได้มาเกิดไ ด, ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนของพระพุธทธเจ้าอย่างนี้นับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเป็นผู้มีบุญจึงได้มาพบมาเจอถ้าว่าผลผู้ไม่มีบุญก็อย่างพวกเราเห็นไหมในสื่อต่างๆไม่ว่า สารลักสาคดีสารค ด, ดีต่างๆที่เราได้พบได้เห็นเป็นยังไงถ้าเราไปเกิดในภพภูมิอย่างนั้นเป็นยังไงไปว่าพลาดโอกาเส เ, เสียเวลามเสียเวลาเสียการพบชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นอย่างนั้นแต่นีน่พวกเรานวัดโชคดีได้เกิดมาได้พบพระพศาสนาได้พบพระธรรมคำสอน แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตนาตามสมมาสมควรตามความเหมาะสมที่พวกเราได้ศึกษาแล้วว่าในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกรรมชั่วมีจริงนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วไม่สู์ตายแล้วเกิดอกีกอันนี้พวกเราให้ศึกษาวิชาในโลกมันมีมากหลายอย่างาวิชาหมอก็เป็นอย่างหนึ่ง วิชาคณิตศาสตร์เป็นอย่างหนึง่ง right. วิทยาศาสตร์เป็นอย่างหนึ่งเกษตรศาสตร์เป็นอย่างหนึง่งจะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้อันนี้วิชาพุทธศาสตร์ศึกษาเรื่องอะไรศึกษาเรื่องของใจศึกษาเรื่องนกแนวความคิดความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละคือใจตัวนั้นแหละพระพุทธเจ้พาพระพุทธศาสนาเนี่ยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในหลักของ พ, พุทธศาสนาเนี่ยท่านให้ความสําคัญ ตัวรู้สึกนึกคิดตัวนั้นแหะให้ศึกษา อ, อากับกิริยาของตัวรู้สึกนึกคิดนั้นจะจับได้อย่างไรจะรู้เห็นได้อย่างไรจะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้จิตจิตความรู้สึกนึกคิดนั้นอยู่เน่งอยู่สงบได้แต่ทางโลกเขาเรียกว่าสมองทางโลกที่ว่ามันสมองและสมองสมองในแนวความคิด แต่ก็ใช่มันออกมาจากสมองแต่ว่ามันตัวไปใช้สมองอีกตัวหนึ่งตัวที่ใช้สมองน่ะเป็นตัวอยู่เบื้องลึกแต่จุดนั้นวิทยาศาสต ร, ร์มองไม่เห็นจับไม่ได้แต่พุทธศาสนาในท่านค้นคว้าศึกษามาก่อนแล้วท่านบอ น, นั่น่ะตัวนั้นสำคัญตัวที่มาใช้สมองนั่นอ่ะมนโนปุพังคมาธรมมามนโนเสถามนโนมายาเรื่องทั้งหลาย มีตัวผู้รู้มีจิตใจมีนา ม, มาธรรมตัวรู้รู้สึกนึกคิดตัวนั้นสำคัญตัวใหญ่เป็นใหญ่กว่าเพื่อนทั้งหมดท่านเรี่องปัจจัยหรือมนโนหรือความรู้สึกนึกคิดมนโนปูพังเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้านี่แหละจุดนั้นแหละเป็นจุดที่พวกเราจะต้องศึกษาเพราะร่างกายของเรามีสองอย่างที่หลพ่อได้พูดได้ย้ำแล้วย้ำอีก มี2มีกายกับใจใจกับกายแต่หลักของพุทธศาสนาให้ทำความสําคัญเรื่องของใจมากกว่ากายการไม่ให้ความสําคัญนะักเรื่องกายกายมันเหมือนกระตุ้แต่จิตใจเหมือนขอคนขับรถแต่คนขับรถมีนิสัยดีมีมารยาทดีจะขับรถไปที่ไหนก็ระเวังระวงังมีมีมารยาทดีแต่นิสัยคนขับรถไม่ดีน พอขึ้นรถแล้วก็กระชากหน้ากระชากหลังชนปุ้งชนปั้งไปแล้บีบแกดาด่าไปหมดอันนั้นแปลว่นานิสัยโซเฟอร์ไม่ดีโซเฟอร์คืออะไรก็คือใจของเราเนี่แหละรถคือคือร่างกายของเราเพราะฉะนั้นท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่าในหลักของพุทธศาสนาท่านให้ความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถเพราะฉะนั้นจุดนี้เราต้องศึกษาเพราะวิชาในโลกมีมากมายจะต้องศึกษา ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาเข้าไปแลยเป็นศาสนาหวยหวยออมีแต่นั้นแนหะละร้องราทําเพลงออหาอยู่หากินออ ต, ตั้งยังตั้งย่างไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ลึกซึง้งจะต้องขวน้ขนขนคว้าศื่อสาพระพุทธเจ้าไปนั่งออนั่งคิดนั่งกันกลองไตรตรองออใช้เวลาทั้ง6ปออีแล้วกันนะออวันที่ท่านได้สำเร็จ วันที่ท่านได้ตัดรู้สูตรสําเร็จในวันเดือน6เพนนนั้นท่านทําอย่างไรอันนี้พวกเราจะต้องเป็นความรู้เป็นความคิดที่ต้องน่าศึกษาเป็นอย่างมากละเอียดอ่อนมากพุทธาศาสนาเพราะท่านเกี่ยวกับตัวนามธรรมาตัวที่มองไม่เห็นนี่แหละตัวตัวนี้แหละตัวรู้สึกนึกคิดนี่แหละท่านจะทํำยังไงทําให้มันอยู่เน่งได้ทําให้มันจบจบมีจุดจบได้ท่านต้องมีสมาธิ สมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธิคือทำให้จิตใจนิ่งไม่ให้มันปุ่งฟุง้งนี่แหละเมื่อจิตใจนิ่งเน่นิ่งเป็นถึงความสงบแล้วก็นำมาพิจารณาอย่างอื่นถ้าว่าจิตใจของเราถ้าเป็นครวญญาติยาโยม น, น, นักศึกษาก็ตามจะเป็นระดับไหนก็ตามใจของเราถ้าเป็นบ้าเสีอยงเดียวเนี่ยจะมาอ่านหนังสือจิตใจไม่เป็นสมาธิจะมาศึกษาวิชาความรู้ได้ไหมไม่ได้ ออไม่ไดออ้ต้องจิตใจต้องเป็นสมาธิพอสมควรจึงจะศึกษาได้นี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาละเอียดกว่านั้นจนนั่งทำให้เป็นสมาธินน่งออพอจิตใจนน่ง เ, ออเป็นหนึ่งพอจิตใจนน่งเป็นหนึ่งแล้วนำจิตใจที่นน่งเป็นหนึ่งนั้นน่ะนำมาพิจารณาการกรองไตรตองหาเหตุและผลออตามหลักธรรมคา ส, สอนของพุท ธ, ธะ จะรู้แจ้งเห็นจริงจะรู้ได้เนี่แหละสมาธิกับปัญญาจุดเน่แหละเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากสมาธิคืออะไรคือสมนะัทฐนั่นคืออะไรวิปัสสนาปัญญาของพุทธะนั้นท่านให้พิจารณาอะไรอันนี้พวกเราต้องศึกษาถ้าศึกษาแล้วจะศึกษาแล้วเราจะรู้ได้ว่าแนวแถวของพุทธะมีจุดยืนอย่างไรต้องการอะไรมีจุดประสองค์อะไรในการ ที่บำเพ็ญตามแนวแถวของพุท ธ, ธนะเนี่ิ่งหล่านี้คือนอกจากพุทธศาสนาแล้วไม่มีไม่มีพูดอย่างนั้นได้เลยนอกจากหลักของพุทธศาสนาแล้วไม่มีที่จะเดินสมถะและวิปัสสนาจากนั้นชำระใจให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเป็นอนันตการมีแต่มีแต่ศาสนาอื่นแล้วว่าคงจะคิดไปอย่างอื่นแต่พุทธศาสนาเนี่ย ใ ห, ให้พวกเราศึกษ า, าศึกษ า, าชั้นปัญญ า, าชนทั้งหลายยอมรับนะ อ, อย่างไอสตรายอย่างนี้เขาออกมเป็นผู้มีปัญญ า, เ, าเขาก็ถามไอสตรายว่ า, าพุทธศาสนาหรือศาสน า, าในโลกนี้เป็นยังไง เ, เขาบอกว่าถ้านเขาจะให้เขานับถือศ า, า, อาสนาเขาจะตั้ถือพุทธศาสนาศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์สามารถที่แต่ต้องได้สามารถที่จะพิด พิสูจน์ได้อันนี้เราก็เห็นในตํำรับําราเพราะนั้นวิทยาศาสตร์เขาก็ยอมรับนะพวกเราไม่เป็นวิทยาศาสตร์ก็เถอะนะ เ, เรานั่งภาวนาจิตใจเราสงบแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองเอจะไปถามใไขนะ่ะเหมือนกับไฟมันร้อนนะเนท่าเราไปจับแล้วก็ร้อนเราพิสูจน์ด้วยมันร้อนเนละในเมื่อมันร้อนเนะ่ยเป็นยังไงแล้วจะจับอีกไหยนี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันหลักของพุทธศาสนาเนี่ย ศีลเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาเป็นยังไงถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาการกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์แต่ตองได้ทั้งนั้นประทานขอให้พวกเราทุกๆกท่านน ะ, เ, ะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนะหลวงพ่อบอกไปทั้งหมดไม่ให้เชื่อนะให้นําไปคิดซะก่อนอไปชิดกันกรองดูซะก่อนไตรตรองดูซะก่อนด้วยเหตุผลถ้าว่าเหตุผลยอมรับแล้วยังค่อยเชื่อนะ ผลักของพุทธศาสนาพูดอะไรให้ฟังแล้วไม่ใช่เชื่อเอาเชื่อเอาไม่ใช่อย่างนั้นนะพุทธศาสนาไม่ให้ใช่คนเชื่อง่ายๆดูก่อนสารีบุตรที่ตถาคตตรัสไปนี้เถอเชื่อไหมยังก่อนพระเจ้าค่าเพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อข่าพระองค์นําไปปฏิบัติแล้วข่าพระองค์จะมากราบทูลพระพุทธองค์เมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าใครพูดมาที่ไหนคือเชื่อทั้งหมดไม่ใช่นะเออแปลว่าเชื่อจานั้นแปบลบว่าศรัทธาตอนนั้นใช่ไม่ได้เลยอพูดอะไรให้ฟังก็เชื่อไปทั้งหมดต้องนําไปคิดนําไปการกลองตรตองด้วยเหตุและผลซะก่อนเอมันมีเหตุผลจริงไหมถูกต้องไหมพิสูจน์ดูได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้ามันพิสูจน์ได้แล้วนั่นแหะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทีนี่นะ หลักของพุท ธ, ธะเป็นอย่างนั้นนะคณะจต่ายญาติโยมลูกหลานอนตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนทัต น, นีนะ